ผู้ทวีตสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะรายการสรนสนีสนทนาเราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นวันหยุดพิเศษอย่างไรก็ตามหากเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วเราพบกันแน่นอนที่นี่นะคะสถานีวิทยุครอบครัวข่าว f m ฟเอค่ะดิฉันสันสนีนาคมเป็นผู้ดำเนินรายการสําหรับวันนี้ท่านทั้งหลายที่ฟังรายการมาเป็นระยะหนึ่งแล้วได้ทราบว่าเรามีการปฏิบัติธรรมพร้อมกันภายใต้การนําของ พระมหาภัยบุญอภิปุ โ, โนนะคะตั้งแต่ตอนต้นแต่ว่าตอนนี้ให้ท่านเตรียมตัวนานนิดหนึ่งเพราะดีฉันได้รับข่าวประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมที่เป็นบุญกุศลซึ่งทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวเนี่ยได้จัดขึ้นมาเองนะคะก็โปรดกรุณารับฟังดังต่อไปนี้ค่ะวิทยุครอบครัวข่าวสทอรขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้ฟังร่วมก่อการบุญทากิจกรรมดี ที่การตั้งซุ้มบริการอาหารบริเวณโรงทานให้กับผู้มาเวียนเทียนสวดมนต์และทำวัดเย็ยนพร้อมพระคุนเจ้าและเวียนเทียนพร้อมกันในวันพุทธที่13พฤษภาคมนี้ตั้งแต่15นากาถึง20นาฬิกาซึ่งกิจกรรมนี้จะมีผู้ร่วมบุญจากการลงทะเบียน20ท่านไปร่วมบุญกันท่านที่สนใจจากรายการนี้นะคะสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายการ บางเกาะสนทนาหมายเลขโทรศัพท์02จดดีๆนะคะเดี๋ยวดิฉันจะบอกตอนท้ายอีกทีหนึ่ง02 126 6106ตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่8พฤษภาคมนี้แปล ว, ว่าท่านทั้งหลายที่สนใจจะไปร่วมกิจกรรมนี้ถ้าหากว่าลงทะเบียนเร็วท่านก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นหนึ่งใน20คนหมายเลขโทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งนะคะ 02 126สอง6 24ชั่วโมงเลยค่ะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่8พฤษภาคมนี้และสำหรับตอนนี้ท่านที่เตรียมตัวจะปฏิบัติธรรมและฟังธรรมฟังการสนทนาในรายการนี้ก็เชิญไปพบกับพระมหาภัยบูญอภิปุญโญวัดป่าดอนไฮโกอุดรธานีพร้อมกันเลยค่ะกาน่นวณส ก, การ์ท่านคะเชิญพาน ในเรื่องของการปฏิบัติเราก็มาเริ่มกันนะด้วยการตั้งสติขึ้นเอาไว้สตินั้นเป็นเรื่องแรกที่พระพุทธเจ้าได้ตดำริขึ้นหลังจากที่ตรัสรูนะ้ก่อนการตรัสรู้พระพุทธพระองค์ก็ได้ใช้วิธีการนี้เหมือนกันโดยการที่ตั้งสติขึ้นไว้ในะอยู่ที่ลหมหายใจพระพุทธเจ้บาบอกว่าแม้แต่ตัวเราเองนั้ก่อนการตรัสรู้เมื่อยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ก็ย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรม คืออาณาปานัสตินี้เป็นนั้นมากวิหารธรรมที่เรียกว่าอาณาปานสตินี้ก็คือให้เรามาระลึกถึงลมหายใจของเราคำว่าสติแปลว่าการระลึกได้อาณาปานะก็คือลมหายใจอยเวลาที่เราจำไปนึกถึงเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องคนนู้นหน้าคนนั้นเบอร์โทรศัพท์คนนี้การนึกถึงอนั้นก็เป็นการระลึกได้แต่นี้การระลึกถึงนึกถึงที่เป็นอาณาปานสตินั้นก็คือมานึกถึงลมหายใจของเรา เวลาที่เรามานึกถึงหรือถึงลมหายใจของเรานั้นก็สามารถที่จะหาจุดสักจุดหนึ่งที่เรารับรู้ถึงสัมบัติของลมหายใจของเราได้ซึ่งจุดนั้นก็จะอยู่บริเวณทางเข้าทางออกของลมหายใจแตคนทั่วไปก็จะเป็นอย่างนั้นเราลองสังเกตดูว่าจุดไหนสักจุดหนึ่งที่เราพอจะรับรู้ถึงสัมบัติของลมหายใจได้โพธิสัตว์ตอนก่อนที่จะตรัสรู้ก็ใช้วิธีนี้จะสังเกตดูลมหายใจใหเห็นความคิดอะไรต่างๆเกิดขึ้น ก็แยกความคิดเป็นสองส่วนคือส่วนที่เป็นกุศลกับส่วนที่เป็นอกุศลใจขอเราเหมือนกันถ้าเวลาที่เราสังเกตลงหาใจอยู่อย่างนี้มีความคิดี่เป็นกุศลก็มีมีความคิดี่เป็นอกุศลก็มีให้ผูกจิตของเราไว้กับลมายใจแล้วพยายามที่จะละความคิดอันเป็นอกุศลส่วนความคิดที่เป็นกุศลนั้นพรุทธจาบอกว่าถึงแม้จะคิดตริตรในเรื่องนั้นแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไร เพราะว่าไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตัวเองหรือผู้อื่นเพราะนั้นบางทีเราจะมีความคิดนึกบ้างในขณะที่เราสังเกตลมหายใจของเราอันนั้นโอเคอันนั้นไม่มีปัญหาถ้าบอกว่าความคิดนึกนั้นเป็นความคิดนึกที่เป็นในทางกุศลหรือว่าในขณะที่เราคิดนึกนั้นเราไม่ได้ลืมลหลงลมหายใจยังระลึกถึงลมหายใจอยู่ได้เวลาที่เราสังเกตเห็นลมหายใจของเราอยู่อย่างนี้สามารถทําได้ตลอดทั้งวันไม่ว่าจะเป็นในเวลาที่เราทํางานอยู่พูดคุยอยู่ รัประทานอาหารแล้วก็สังเกตลมหายใจเหมือนเป็นที่อยู่ที่อยู่นี้ก็คือเป็นบ้านนั่นเองเวลาที่เราไปทํางานไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศแต่สามวันหวันอาทิตย์หนึง่งเราก็กลับมาบ้านบ้างเช่นเดียวกันจิตของเราบางทีมันไปเที่ยวคิดนั่นนี่เอาเราระลึกได้ก็ให้มันกลับมาอยู่ที่บ้านคือลมหายใจของเราที่อยู่ตรงนี้เป็นทั้งที่อยู่ของพระพุทธเจ้าด้วยเป็นที่อยู่ของเราพระอาหารหันต์ในสมัยพุทธกาลหรือแม้แต่ในสมัยนี้ก็มีที่อยู่เครื่องอยู่คือลมหายใจอย่างนี้เหมือนกัน เพราในขณะที่เราสังเกตเห็นลมหายใจของเราอยู่ยนี้ก็สามารถที่จะทําต่อไปได้ด้วยการระลึกถึงลมหายใจพระพุทธเจ้านั้นสําเร็จเป็นสัมมาสัมพญุทธิยานสาเร็จเป็นพระพุทธเจ้ามีความรู้ทั่ว3ามลัลลานโลกธาตุก็ด้วยลมหายใจนี้สามารถทําให้แต่งตลอดซึ่งท่าเป็นเอเนกได้หลังจากที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังทรงอยู่ในวิหารธรรมคืออานาป า, านสตินี้เพราะในขณะที่เราฟังรายการต่อไปเราก็สามารถที่จะทรง อยู่ในอนาปานาสตินี้ได้เหมือนกันเจ่ิมบานสาธุค่ะท่านฟังที่ครบรับค่ะแล้วนั่นก็คือพระมหาภัยบุญอภิปุโนนาท่านทั้งหลายให้สู่การทําอานาปานาสติคือระลึกรู้อยู่กับลมหายใจซึ่งท่านได้บอกว่าเหมือนกับเราเนี่ยได้กลับมาอยู่ที่บ้านและไม่ใช่บ้านของพวกเราทุกคนเท่านั้นนะคะสูงส่งเหลือเกินสําหรับการเป็นที่ประทับของพระพุทธองค์การเป็นที่อยู่ของพระอรหันต์และเช่นเดียวกัน เราทุกคนถ้าหากว่าปฏิบัติตามทางที่พระพุทธองค์ตรัสสอนเอาไว้อย่างถูกต้องอาศัยลมหายใจนี้เป็นเครื่องที่ทําให้เราระลึกอยู่เสมอนะคะเรามีโอกาสที่จะเป็นพระอาหารหันต์เหมือนกันนะคะใช่ถูกต้องใช่ไหมคะค่ะก็สืบเนื่องไปจากข่าวเมื่อสักครู่นี้แหละคะ่ะท่านอาจารย์คะคือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วชาวพุทธเนี่ยหัวใจก็อยู่กับพระพุทธเจ้านะคะถูกต้องพอถึงเทศกาลที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ตั้งหน้าตั้งตาทำดีฉันใช้คำนี้เลยเสำหรับการทำกิจกรรมชื่อก่อการดีเขาก็จะเชิญชวนท่านทั้งหลายนี่แหละ2ี่สิบคนนะคะสำหรับเป็นตัวแทนจากรายการนี้ก็อย่าช้าเพื่อที่จะได้พาตัวเองเป็นเก้าสิบคนนั้นเอ้ยยี่สิบคนนั้นที่จะไปร่วมกิจกรรมที่เบอร์ศูนย์สองหนึ่งสองหกหกหนึ่งศูนย์หกอันนี้เข า, า <ทด S 2> เขาจะจัดที่วัดปฐุมนารามถูกไหม อ่าค่ะนะคะก็จัดที่วัดปฐุมวนารามกิจกรรมอย่างเงี้ยคะ่ะเขาจัดตั้งแต่เวลาสาโมงเย็นถึงสองทุ่มไปสวดมนต์ทวัดเสร็จแล้วก็เวียนเทียนพร้อมกันที่วัดปฐุมอันนี้มันมันะะมีเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลเหมือนกันนะคุณโยมติวที่เอ่อพอมีใครสักคนหนึ่งพูดชื่อว่าพุโทโธขึ้นมาอย่างเงี้ยก็<ะ>ทาให เขาระลึกได้ว่ามีพุโทโธอยู่ด้วยเหรอนะซึ่งเรื่องนี้ก็มีอยู่ในพระสูตรที่เรียกว่าเสลาสูตรเสลาสูตรเนี่ยเป็นเรื่องของพราหมณ์ที่ชื่อว่าเสรานะซึ่งพรามที่ชื่อว่าเสระเนี่ยเข า, เ, าเป็นพราหมณ์ที่รู้ความรู้อะไรต่างๆจดจบหมดทั่วทุกอย่างเนะพราะในความรู้ที่เขารู้เนี่ยก็ทําให้เขามีความรู้ว่าเอลักษณะ3มมหาบุตรสามสประการอะไรต่างๆที่ทําให้ คนที่จะมีขึ้นเนี่ยเป็นสัมมาสัมพุทธาได้นะเพราะมีคนพูดชื่อพุทโธขึ้นมาเนี่ยก็เลยทําให้เขาระลึกได้ของพุทโธก็มีเหรอเนี่ยอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นในในอย่างวันวันวิสาขาอย่างเงี้ยเป็นวันที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเงี้ยก็เป็นพุทโธใช่ไหมพุทธาพุทโธเป็นชื่อของพระพุทธเจ้านะก็เลยทําให้เออเรามาหันมาทําความดีอันนี้เป็นเรื่องที่ดีที่มาเห็นว่าค่ะนะคะก็เป็นโอกาสอันดี ที่เราจะได้มีความรู้นี้ดิฉันกลับเรียนถามท่านหน่อยได้ไหมคะจําถูกหรือจําผิดว่าพระพุทธองค์เนี่ยที่ได้ชื่อว่าเป็นพุทธมีที่มาที่ไปแต่จําไม่ได้ว่าที่มาที่ไปนั้นคือการตรัสรู้ของพระพุทธองค์หรืออะไรคะพระพุทโธเนี่ยพุทธพุทโธเนี่ยคือผู้รู้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เ บ, บ, บิกบานก็มีตอนนั้นพุะเจ้าเพิ่งตรัสรู้ใหม่ๆ แล้วก็มีพรามคนหนึ่งเห็นพระุทธาเนี่ยมีผิวพรรณผุดผ่องมีอินทรีย์สวยงามงามส ง, งา่าก็เลยถามว่าเป็นเทวดาหรือเปล่านะพระพุทธเจ้าก็บอกไม่ใช่เทวดาแล้ว เ, เป็นคนทานหรือเปล่าก็ไม่ใช่คนทานเอ๊ะเป็นยักษ์หรือเปล่าเป็นอินหรือเปล่าเป็นพรหมหรือเปล่าพรุทธเจ้าบอกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชนะเพราะว่าอาสวะเหล่าใดที่ทําให้ไปเป็นอันนั้นอันนั้นนะไม่มีนะคนที่ไม่มีอาสวะตรงนี้แล้วก็รู้ได้โดยตัวเองพระพุทธเจ้าก็เลยบอกให้พรามคนเนี้ย ทราบว่าอ่ะงั้นเรียกฉันว่าเป็นพุทธโธก็นเรากันเป็นพุทธะนะค่ะจริงๆพุทธานี่เป็นภาษาบาลีถ้าเราออจะอ๋อคือมีมาอยู่แต่เดิมถูกไหมคะใช่ใช่ใช่มีในคัมภีพรามมาตั้งแต่เดิมด้วยนะมีในคัมภีพราหมณตั้งแต่สมัยก่อนพระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้คือหมายถึงว่าตั้งแต่สมัยก่อนที่เจ้าชายศินท่าจะเกิดด้วยซ้ำเนะี่ยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยท่านโกทัญญาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในพรามณ์ที่มาทํานายว่าบุตรของ พระเจ้าสุโธทนะจะได้เป็นพุทธโธในอนาคตนะแสดงว่าในตำราพราหมณ์ที่เขาพูดถึงลักษณะ32มสิบสองอย่างได้มีระบุไว้อยู่แล้วในเรื่องของพุทธโธตรงนี้ อ, อ๋อค่ะทีนี้ท่านหยิบยกประเด็นคําว่าพุทธโธขึ้นมา น, นอกเหนือจากที่ท่านได้กล่าวไปแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมค ะ, ะก็พอเราได้ยินชื่อนี้นทําให้เราจะต้องนึกถึงว่าเหตุอะไรอะไรที่ทําให้คนมาเป็นพุทธาพุทธโธได้ ดังนั้น ก, ก, การรลึกถึงการทําความดีนะเอ้าทำแบบไหนล่ะทําความดีนะก็ต้องตามระเบียบระบบนะที่บูชาัญญัติ่บางคนอาจจะคิดว่าการบูชาในลักษณะที่ว่าเอาเครื่องบูชาะอะไรต่างๆแต่เป็นการบูชาที่ดีอันนั้นก็เป็นการบูชาที่เป็นอามิตรนะแต่ถ้าดียิ่งขึ้นไปอีกนะก็เป็นการบูชาที่เป็นนิรามิตรนะเช่นเราพูดดีการคิดดีกันนะไม่เบียดเบียนการทําความดีให้กันอันนี้ถือเป็นการบูชาที่ดีที่ถูกต้องทีเดียว ค่ะทีนี้ท่านพูดเสมือนหนึ่งว่าพวกเราทุกคนก็เป็นพุทธโธได้เช่นนั้นหรอคะใช่ใช่ถูกต้องนะความที่ฉั น, เ, นเข้าใจว่าคําว่าพุทธเนี่ย เ, าเขาเรียกว่าอะไรคะมีจดทะเบียนลิขสิทธิ์เอาไว้สําหรับพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวพระพุทธเจ้าเนี่ยคือพุทธเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทธโธ เ, เอาเอาใหม่นะเอาชื่อก่อนนะพุทธเจ้าของเราเนี่ยชื่อชื่อสินทธะเป็นสมณะเป็นพระเป็นพระเป็นสมณะชื่อสินทธะนามสกุลโคดม <ST IT US> นะนามสกุลโคตมะณนะ์อยู่ในศักยวงศ์ณนะ์อยู่ในศักยวงศ์นาะมสกุล ข, ของตัวท่านเนี่ยโคตมะฉันั <ST IT US> ้นบางคนก็จะเรียกว่าสมนักโคดมอย่างนี้โดยเรียกโดยนามสกุลนะ์ชื่อสินทัตณนะ์มีความรู้ความสามารถในระดับสัมมาสัมพุทธะณ์ความรู้ความสามารถในระดับสัมมาสัมพุธทธะเนี่ยหมายความว่าอาสวะไม่มีอาสวะไม่มีใครบอกให้ความรู้ตรงนี้ที่ทําให้ได้เอาทําเองนั้นะจึงเป็นสัมมาสัมพุทธะอย่างถ้า คนที่เขาทําเองแล้วสามารถสอนคนอื่นได้ก็นี่คือเป็นสัมมาสัมุทธะนะแต่ถ้าทําเองแล้วตัวเองแค่รู้เองนะไม่สามารถบอกคนอื่นได้ก็เป็นปัจเจกพุทธะเป็นพุทธะเหมือนกันแต่เป็นปัจเจก ค, คือตัวเองค่ะ <accept. S 1> นะแต่ถ้าอย่างพะาระอรันทัท่วไปเช่นพระสารีบุตรพระหมหาโมคลานะอันนี้ก็ไม่ทั่วไปนะนี่ระดับสูงอันนี้เ <asted. S 1> ขา <navigation. S 2> เรียกว่าอนุพุทธะอนุพุทธะก็คือรู้ตามสัมมาสัมพุทโธเป็นพุทธะเหมือนกันเป็นพุทโธเหมือนกันแต่รู้ตามพระพุทธเจ้า นึ่งเดียวมรู้ตามสัมมาสัมพุท ธ, ธะค่ ะ, ะแล้วสมมติจะมีท่านผู้ฟังสักท่านหนึ่งปฏิบัติจริงปฏิบัติจังเลยทําตามคําสอนของพระศาสดาเดินมากแล้วก็ได้ผลตามมรคนั้นนะคะเป็นอารหัตผลเนี่ยถูกต้องจะถูกเรียกว่าอะไรคะท่านคะเป็นอนุพุท ธ, ธะอ๋อเป็นอนุพุท ธ, ธะเช่นเดียวกับสาวกทั้งหลายนั้นเลยถูกต้องถูกต้องค่ะก็เป็ น, นะะพุโทโธได้เหมือนกันนะแต่พุโทโธเนี่ยมี3ระดับอย่างที่ว่า ระดับที่เป็นพุโทโธด้วยต้องมีคนอื่นบอกมีคนอื่นแนะนำเราเรียกว่าอนุพุทธะระดับที่ว่ารู้เองแต่ว่าสอนคนอื่นไม่ได้อันนี้เรียกปัจเจกพุทธะระดับที่รู้เองด้วยแล้วก็สามารถบอกสอนคนอื่นด้วยเพราะว่าความรู้นี้มันมันเข้มข้นมากมันเหนือชั้นมากการที่จะบอกให้คนอื่นเขารู้ตามตัวเองได้ต้องมีความสามารถสูงขึ้นไปอีกนั้นตรงนี้ก็จึงเรียกว่าเป็นสัมมาสัมพุโทโธนะคะในโลกนี้มีสัมมาสัมพุโทโธกี่กี่องค์หรือว่ากี่คนคะใน เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยคุณโยมติว๋วที่จะมีสัมมาสมัมพุทธะเกิดขึ้นพร้อมกันสององค์ในโลกเป็นไปไม่ได้นะจะได้ทีละครั้งทีละองค์ทีละรูปเท่านั้นทําไมท่านถึงจึงกล่าวเช่นนั้นคะอันนี้สัมมาสมัมพุทธเจ้าบอกเอาไว้ อ, อว่ า, ว, าว่าจะต้องมีทีละองค์ก็เหมือนซีอของบริษัท่นะแต่ว่ามีแค่บริษัทละคนค่ะจะจะมามีหลายคนเป็นเป็นผู้บัญชาการไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมราชามีคนเดียวงั้น สมมติตอนนี้ไม่ใช่สมมุตินะคะในความเป็นจริงเนี่ยพระพุทธองค์สัมมาสัมพุทธโธหรือว่าสัมมาสัมพุทธะพระองค์ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่อ๋อท่านเจ้าเหรอคะว่านี้ฉันจะถามอะไรยังอยู่ก็คือหมายความว่าแม้แต่ตัวกายธาตุสีนิ้น้ำไฟลมไม่อยู่แล้วใช่ไหมเปลี่ยนแปลงไปแล้วเพราะว่าความไม่เที่ยงแต่ว่าไอ้คำสอนนี่ยังอยู่คําสอนก็จะเปลี่ยนแปลงไหมก็จะเปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่ว่ามันยังอยู่อยู่นะยังไม่สลายไปยังพอมีอยู่ดังนั้นหากจะมีใครสักคนนึงมากล่าวอ้างว่า เกิดเป็นสัมมาสัมพุโทโธขึ้นมาแล้วอืมณวันนี้เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะเป็นไปไม่ได้ไม่ได้แต่ถ้าถเป็นอ น, นุพุท ธ, ธะอันนี้เป็นไปได้ค่ะอะอันนี้ก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะคะดิฉันก็ไม่เคยคิดว่าจะมาซัดถามท่านในเรื่องนี้แต่พอท่านเปิดเรื่องมาก็มีคําถามเกิดขึ้นเรื่อยๆก็ได้ความกระจ่างไปอีกแบบหนึ่งนะคะว่าถึงแม้ว่าจะปรินิพานไปนแล้วถึงสองพันหร้อยปีพูดง่ายๆคร่าวๆเนี่ยนะคะก็ไม่ได้หมายความว่า พระพุธทธองค์นั้นได้ถ่ายทอดสัมมาสัมพุทธโธสัมมาสัมพุธทธะให้ใครในวันนี้แล้วเพราะคําสอนอยังอยูถอ่ถูกต้องถูกต<ฆ>นะ้องค่ะนะแล้วถามว่าเอ๊ะแล้วจะมีสัมมาสัมพุทธโธมาอุบัติขึ้นอีกไหมนะก็จะมีอยู่เรื่อยๆนะแต่ว่าก็เป็นคนละครั้งคนละบาทละค่ะ<ฆ>ดิฉันเคเห็นทศถกเถียงกันหลายตําราเหมือนกันนะคะบางคนก็บอกว่าศาสนาเนี้ยจะมีอายุแค่ ห้าพันปีหมายถึงว่าของสมณะโคดมหรือพระพุทธเจ้าที่พวกเรารู้จักเนี่ยนะคะที่จริงแล้วเป็นเช่นนั้นไหค ะ, ะพระอาจารย์บอกว่าถ้าตราบใดที่ยังมีการเจริญสติปัณฑ์อยู่ตราบใดที่ยังมีการเจริญอริยมรรคมีองค์แปดอยู่เนี่ยพระสัทธรรมเนี่ยจะตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนานนั้นตลอดกาลนานก็คือเป็นหมื่นปีเป็นแสนปีเป็นล้านปีก็ได้ถ้าการการะทำตรงนี้ยังมีอยู่แล้วถามว่ า, าใช่มีเงื่อนไขตรงนี้แล้วถามว่าอะไรจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้ พระศาสนาตรงนี้ตั้งอยู่ได้การเจรินมากแปลกก็ตามการทำตรงนี้ก็ตามมันก็อยู่ที่ว่าพวกที่สืบต่อสืบต่อเนี่ยเขาสืบต่อกันได้มากหรือน้อยเพราะเหตุปัจจัยเนี่ยมันมันเปลี่ยนไปได้แต่แต่ที่ไอตัวเลขที่ 5,000 ปีเนี่ยมาจากตอนนั้นที่พระเจ้าได้บอกท่านพระอานนุนะเกี่ยวกับว่าอายุของพระศาสนาเนี่ยจะลดลงครึ่งหนึ่งถ้ามีภิกษุณีอย่างเช่นถ้าอศ า, าสนามอายุพันปีก็เลยจะลดลงเหลือแค่500ปีอย่างนี้ ระองจรจึงได้ต้องมีการ เ, ากเรียกว่าคุรุธรรมแปประการเพื่อปิดกัน้นเอาไว้ทีนี้เขาก็เลยมีการเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับว่าถ้างั้นพรธเจ้ า, าขยายให้ได้พันปีพรธเจ้าปรินิพพานไปแล้วนะก็มีพระอาหารหันต์ต่างๆช่วยกันต่อไปนะสกท า, าคามีอนาคามีแล้วก็โสดาบันต่างๆก็รวมตรงนี้ได้ 5,000 นปะีแต่นี้เป็นข้อมูลที่เพิ่มเติมขึ้นมา แต่สุดท้ายแล้วในที่นี้ถ้าสรุปก็คือว่าไม่ได้หมายความว่าแค่ 5,000 ปีไม่ใช่ไม่จำเป็นแต่มากกว่านั้นได้ถูกคะใชะ่ถ้าจะให้ตอบตรงที่สุดและไม่มีทางผิดพลาดตราบเท่าที่พระสัตยธรรมคือคำสอนของพระพุทธองค์นั้นยังดำรงอยูถอ่ถูกต้องถูกต้องศาสนานี้มีอยู่แน่ทีนี้ในส่วนของเรื่องภิกษุณีค่ะพระท่านพูดขึ้นมาปุ๊บ เล้ยเข้าใจว่ามีคนจํานวนไม่น้อยทีเดียวนะคะก็ ม, มีความเชื่อว่าทําไมล่ะภิกษุณีทําไมถึงมาว่าภิกษุณีมีขึ้นแล้วจะต้องมีปัญหาทําให้ศาสนาอายุน้อยลงไปครึ่งหนึ่งอ่าพระชาเปรียนเทียบอย่างนี้ว่าเหมือนกับในครอบครัวหรือในตระกูลใดเนี่ยที่มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายในการที่มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายตระกูลนั้นก็จะเสื่อมไปเร็วนะ ก, ก็แก้ตรงนี้เหตุตรงนี้มหมายความว่าผู้หญิงไม่ได้ไปแตกเหล่าเผ่าพันธุ แล้วก็มีฐานะในการรักษาส ก, กุลไว้ได้อย่างนั้นหรือไงค ะ, ะผู้ชายก็ตราบไม่เท่านี้ะนะคุณโยมเต๋วเพราะฉะนั้นในความหมายมเราก็คงจะเห็นกันอยู่ในตระกูลใดที่ถ้ามีผู้ชายมากก็อาจจะมีความยําเกรงการโจรขโมยบ้างคนที่จะมาทําเสื่อมเสียบ้างนะคงข้างในคงไม่เท่าไหร่แต่ว่าสิ่งอื่นที่จะมาทําให้ตระกูลมันเสื่อมไปก็คงจะมีอยู่ค่ะ <Okay. S 2> แต่ที่ฉันต้องกลับเรียนท่านผู้ฟังทั้งหลายนะคะว่าในที่นี้ เราก็ต้องเข้าใจในสิ่งที่พระพุทธองค์ได้บัญญัติว่าถ้าเป็นพุทธบริษัทแล้วจะมีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาอย่างแน่นอนแต่ว่าในส่วนที่ได้ตรัสไว้อันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาของสัมมาสัมพุทธะนะคะผู้ที่ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองเป็นผู้ที่รู้แจ้งท่านก็ได้ตรัสไว้ในเงื่อนไขนี้ทีนี้ก็หมายความว่าเราก็จะต้องทําให้เมื่อมีพุทธบริษัทสี่แล้วทําอย่างไร าศาสนาจึงจะดำรงอยู่ได้นานที่สุด อ, นะอันนี้ก็เลยก็เลยเป็นเหตุที่ว่าอา้าวในเมื่อเราได้ยินชื่อพุทโธเนี่ยนะเขาจะจัดงานสําหรับพระพุทธเจ้ากันพุทโธคือพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาเรามาร่วมกันทําความดีดีกว่านะเหมือนอย่างเรื่องของเสระพรามเนะีที่เขาพอได้ยินเกนิยชลินพูดว่าอาจจะจัดอาหารไปถวายสัมมาสัมพุทธเจ้าพอเสระพรามเสระพรามได้ยินชื่อว่าพุทโธเท่านั้นน่ะก็ถามเกณิยชลินบอกพุทโธเหรอ เกียรยชรินแบบใช่พุทโธเสรพราหมณ์ก็ถามอีกพุทโธเหรอเกียรติยชรินเขบอกใช่พุทโธเสรพราม์ก็ถามอีกรอบที่สามคุณโยมติบพุทโธเหรอเกียียชรินบอกใช่พุทโธทําไมแต่ต้ามตั้งสามรอบนั่นน่ะสิคะเออเพราะว่าชื่อพุทโธเนี่ยโอ้โหกว่าจะได้ยินสักครั้งนึ่มันยากทําไมยากนะเพราะว่าตาเสรารามเนี่ยเขาเป็นผู้ที่รู้จบไตรเพศของพราม์ทั้งหมด S <S นะมีความรู้ละเอียดลึกซึ้งรอบคอบในเรื่องคัมภี์ต่างๆการบูชาคัมภีร์ทายลักษณ ะ, ะอะไรต่างๆนะซึ่งมันจะมีลักษณะมหาบุ ร, บรุษ32ประการนะที่ไม่ตัวเองก็คงไม่เคยเห็นอาจจะเห็นบ้างคนนั้นมีลักษณะนั้นลักษณะนี้แต่32ประการอยู่ในคนคนเดียวกันเนี่ยไม่เคยเห็นซึ่งคนคนเนี้จะได้เป็นสัมมาสัมพุโทโตตัวเองก็ไม่เคยเห็นก็เลยแบบต้องการความยืนยันว่าฮมีเหรอจริงเหรอพุทโธแม้อยู่ที่ไหนจะไปดูค่ะ 32ประการของท่านนี่เป็นลักษณะภายนอกหรื อ, อย่างคะใช่ใช่เป็นลักษณะภายนอกเช่นมีตาสีเขียวนินมีฝามือฝ่าเท้าดุจตาคายนะล่องหลังก็ไม่มีมีเนื้อหนุนน้ที่7แห่งนี้เป็นด้นค่ะก็อันนี้เป็นพุทธลักษณะคือลักษณะของพระพุทธองค์ใช่ด้วย อ, อ, อันนี้หมายความว่าถ้าเป็นพุทธโธธรรมดาไม่จําเป็นต้องมี32ประการถูกไหมคะถ้าเป็นพุทโธเช่นอนุพุทธะหรือปัจเจกพุทธะไม่จําเป็นต้องมี32ประการถูกต้องนะคะค่ะก็ และอีกอย่างหนึ่งนะคะอีกประการหนึ่งที่ท่านสงสัยก็คือว่าในเมื่อท่านพูดอย่างนี้เหมือนกับพูดโทนได้ดีจังเลยเป็นการเตือนสติใช่ไหมคะ ใ, <ช>ให้ช่วยมาทำความดีโดยเฉพาะในกรณีที่ทางวิทยุครอบครัวข่าวกำลังจะจัดกิจกรรมเนี่ยก่อการดีที่วัดปทุมวนารามในวันที่13ตั้งแต่บ่าย3เป็นต้นไปแล้วเชิญชวนพวกเราไปร่วมทาบุญออกรานโน่นนี่นี่นั่นและเชิญ20คนโทรศัพท์มาสมาัครเนี่ยนะคะจาเป็นไหมคะ เราจะต้องพูดคําว่าพุทโธพุทโธพุทโธอันนี้เราจะได้เป็นพุทโธแล้วทําความดีคุณยมเตียวทําความดีด้วยการที่พูดดีคิดดีทําดีง่ายๆอย่างนี้หรือว่ารักษาศีลเจริญสมาธิปฏิบัติภาวนาอันนี้จะเป็นการที่เรายกย่องพุทโธทําพุทโธให้เกิดขึ้นในใจของเราได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็ในเรื่องการภาวนาการภาวนาเนี่ยมีคนพูดกันสารพัดเลยนะคะว่าภาวนาคํานั้น4คํานี้สี่พุทโธก็เป็นคําหนึ่งในนั้นใช่ แต่ฟังท่านพิบูณนํำทุกวันไม่เห็นมีคำนี้หรือคำไหนนอกจากให้มีสติระลึกอยู่กับลมหายใจอาณาปานาสติคำว่าพุโทโธเนี่ยมีความหมายว่าคือผู้รู้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพราะฉะนั้นการที่เรามามีสติคุณรู้อะไรคุณรู้หรอไม่ใช่นั่นแหละคือพุโทโธเกิดขึ้นในใจขคุณค่ะจรยานหากจะแทนการรู้นั้นเราก็ท่องพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธเรื่อยไป ทีนี้ท่องท่องมันก็อยู่ที่ว่าคุณจิตคุณไปก่อเกี่ยวอะไรนะอ่าถ้าถ้าเราไม่ได้มีสติอันนั้นก็ถือว่าไม่เหมือนกับพุดสดมลไปท่องไปโดยที่อาจจะเปลือบเปลนไปแต่ถ้าเรามีสติอยู่ด้วยอ น, นั้นดีค่ ะ, <น>ะเรนได้ทราบมาว่าพระพุทธองเองเนี่ยไม่เคยอ่าได้ตรัสสอนเอาวไว้ว่าต้องท่องคาไหนโดยเฉพาะแต่มุ่งตรงไปที่การรู้ลมหายใจใช่ให้อ่ามุ่งตรงไปที่การมีสติในรูปแบบใดก็ได้น ะ, ะอย่างเช่นบางคนพูดถึงพุธโธเขาอาจจะระลึกถึงพระพุทธเจาจริงๆอันนี้ก็สามารถเป็นไปได้นะ แต่หมายถึงว่าพระพุทธโงไม่ได้ไม่ได้ตรัสไว้ว่าให้พอนาคํานี้แต่ว่าให้มีสติอยู่กับอย่างใดอย่างหนึ่งมีกายยะคตาสติมีอยู่กับจิตใช่ใอยู่กับเวทนาและอยู่กับธรรมถูกต้องถูกต้องนะคะก็ต้องรีบสรุปเพราะว่าเวลาหมดพอดีเลยค่ะท่านคะนะคะวันนี้เราก็ได้ประโยชน์จากการที่ท่านพิบูรณ์ได้ทําให้เรารู้จักคําว่าพุทธเป็นอย่างยิ่งเลยกราบนมัสการขอบพระคุณค่ะเจริญพร ท่านคนที่ครบคะ่ะและใครอยากจะเป็น20ท่านแรกนะคะที่ได้ไปร่วมกิจกรรมของวิทยุครอบครัวข่าวก่อการบุญนะคะก็ติดต่อโทรศัพท์ที02่021266106ได้24ชั่วโมงไปลงทะเบียนเอาไว้เป็น20คนแรกจะได้ไปร่วมกิจกรรมที่นั่นส่วนท่านที่ไปไม่ไปไม่เป็นไรอยากจะร่วมทําบุญตั้งซุ้มบริการอาหารบริเวณโรงทานก็ติดต่อที่เบอร์นี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะสําหรับวันนี้พุทธสวัสดีคะ่ะ